การพนันการจะทำให้เงินทองเพิ่มพูนขึ้นเป็นเรื่องยากแต่การสูญเสียมันไปนั้นกลับง่ายและหนทางที่จะสูญเสียเงินทองได้ง่ายที่สุดคือการพนันนักพนันทุกคนคือผู้แพ้ในที่สุดถึงกระนั้นผู้คนก็ยังชอบที่จะคาดการล่วงหน้าว่า เขาจะสามารถทำเงินได้มากมายจากการพนันอาตมาจะเล่าเรื่องสองเรื่องเพื่อแสดงว่ามันอันตรายเพียงใดที่จะทำนายอนาคตแม้จะมีสัญญาณบอกเหตุก็ตามเพื่อนคนหนึ่งตื่นขึ้นมาจากความฝันที่แจ่มชัดราวกับเป็นเรื่องจริงในเช้าวันหนึ่งเขาฝันว่า นางฟ้าห้าองค์ได้มอบไห่ห้าใบบรรจุทองคำมูลค่ามหาศาลแก่เขาเมื่อเขาลืมตาขึ้นในห้องนอนของเขาก็ไม่มีนางฟ้าสักองค์และเฮ้อไม่มีไหยบรรจุทองด้วยแต่มันช่างเป็นฝันที่ประหลาดแท้ เมื่อเขาเข้าไปในครัวเขาพบว่าพันรยาได้เตรียมไข่ต้มห้าฟองและขนมปังปิ้งห้าแผ่นไว้เป็นอาหารเช้าให้เขาเขาเห็นจากหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าว่าวันนี้เป็นวันที่ห้าเดือนพฤษภาคมซึ่งก็คือเดือนห้ามันมีอะไรแปลกๆชอบกลเขาพลิกหนังสือพิมพ์ไปที่หน้าม้าแข่งแล้วเขาก็ถึงกับอึ้ง เมื่อเห็นว่าที่สนามเอสคอตซึ่งมีห้าตัวอักษรคือ A S C O T การแข่งรอบที่หม้าเลขที่หมีชื่อว่านางฟ้าทั้ง5หรือ Five Angels ความฝันนั่นเป็นห ล, งลังดีเขาลางงานในบ่ายวันนั้น ไปถอนเงินห้าพันเหรียญแล้วไปสนามแข่งมา้าเขาไปที่เจ้ามือรับแทงม้าช่องที่ห้าเพื่อแทงม้าเลขที่ห้าในรอบที่ห้าชื่อนางฟ้าทั้งห้าด้วยวงเงินห้าพันเหรียญเพื่อจะชนะความฝันของเขาต้องไม่พลาดแน่เลขห้านำโชคต้องไม่พลาด และความฝันของเขาก็ไม่พลาดจริงๆมาตัวนั้นเข้าเส้นชัยเป็นตัวที่ห้าเรื่องที่สองเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อสองสามปีก่อนชายชาวออสเตรเลียนแต่งงานกับหญิงชาวจีนจากสิงคโปร์ครั้งหนึ่ง เมื่อทั้งสองกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่สิงคโปร์บรรดาพี่เมียน้องเมียของเขากำลังจะไปสนามแข่งม้าในตอนบ่ายจึงได้ชวนเขาไปด้วยเขาตกลงก่อนที่พวกเขาจะไปสนามแข่งม้าเขาต้องแวะที่วัดพุทธที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเพื่อจุดธูปบูชาและสวดมนต์อ้อนวอนขอให้มีโชค เมื่อเข้าไปถึงวัดเล็กๆนั้นเขาเห็นว่ามันสกรปรกเลอะเทอะไปหมดพวกเขาจึงคว้ามไม้กวาดไม้ถูพื้นถังน้ำจัดการทำความสะอาดวัดจนเรียบร้อยแล้วจึงจุดธูปบูชาสวดมนต์อ้อนวอนขอให้โชคดีเสร็จแล้วจึงตรงไปสนามแข่งมา้าพวกเขาหมดตัวกันย่อยยับ คืนนั้นเขยเชาวออสเตรเลียฝันถึงการแข่งม้าเมื่อเขาตื่นขึ้นเขายังจำชื่อม้าที่ชนะได้แจ่มชัดเมื่อเขาอ่านหนังสือพิมพ์สเตร t Times เขาเห็นมีชื่อม้านั่นเข้าแข่งในบ่ายวันนั้นจึงโทรศัพท์ไปแจ้งข่าวดีนี้แก่บรรดาพี่เมียน้องเมียของเขาทุกคนปฏิเสธที่จะยอมเชื่อว่า ดวงวิญญาณจีนที่ดูแลรักษาวัดในสิงคโปร์จะให้ชื่อม้าตัวที่จะชนะกับคนผิวขาวพวกเขาจึงไม่สนใจใหญ่ดีกับความฝันนั้นเขยชาวออสเตรเลียนได้ไปที่สนามแข่งมา้าเขาแทงม้าตัวนั้นด้วยเงินก้อนโตแล้วม้าตัวนั้นก็เข้าวิน ดวงวิญญาณที่วัดจีน ต, ต้องชอบฝรั่งออสเตรเลียนเป็นแน่บรรดาพี่เมียน้องเมียของเขารู้สึกพรุ่งพล่านด้วยความโกรธ